พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโกรินบทที่ 13. ข้อ 13. ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงบ้านหลังนี้และจูเนียบทครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวนะครับที่เป็นที่หนุนใจเราทุกคนที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าบานหลวงค่าทะลิกท่านหนึ่งได้ให้อวาดแก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กเพื่อเด็กๆจะได้นึกถึงความรักและคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อพวกเขาและให้เด็กๆ เ, เหล่านี้มีโอกาสได้ กลับไปบอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยคำสั้นๆเพียงคำเดียวคือคำว่า family ซึ่งแปลว่าครอบครัวโดยคำนี้ได้มีความหมายที่เป็นที่น่าประทับใจว่า F มาจาก father A มาจาก and M มาจาก mother I มาจาก I L มาจาก love และ Y มาจาก you Family ย่อมาจาก Father and Mother, I love you คุณพ่อและคุณแม่หนูรักท่านมีความหมายมากเลยแต่จากรายงานผลสถิติเกี่ยวกับครอบครัวที่ลูกรักทำร้ายคุณพ่อคุณแม่ของสำนักงานอายการในแถบประเทศยุโรปโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและเวลในปีที่ผ่านมาพบว่าพ่อแม่ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยอมไม่เอาความเหตุเพราะไม่ต้องการให้ลูกต้องถูกลงโทษตามกฎหมายถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องถูกลูกทำร้ายแบบนี้อีกครั้งก็ตามและจากสถิติพบว่า6ใน10คดีที่เกิดขึ้นผู้เป็นพ่อแม่ตัดสินใจที่จะไม่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจถึงความจริงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้ลูกทาร้ายผู้เป็นแม่ สูงขึ้นในสังคมปัจจุบันสอดคล้องกับข่าวลูกชายวัย23ปีของสมาชิกสภาผู้แทรัสดรจอแดนซึ่งครอบครัวมีความเพียบพร้อมมีเงินทองมีการศึกษามีทุกอย่างก็ว่าได้ทั้งตัวลูกชายอายุ23คนนี้เรียนแพทย์แต่ในที่สุดแล้วเขากลับเลิกเรียนและก็เข้าไปร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรง เป็นสมาชิกมือระเบิดพรีชีพและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ลงมือเหตุระเบิดคาร์บอมสามคันที่ค่ายทหารในประเทศอิรักเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและเช่นเดียวกันสำหรับเหตุระเบิดพรีชีพที่กรุงบัสเซลประเทศเ บ, เบลเยีเยมที่ทำให้คนจาก4ี่สิบชาติประมาณ3า0รอคนต้องบาดเจ็บและล้มตายโดยทางการได้ระบุตัวผู้กระทาผิดผู้ที่โจมตีสนามบินและรถไฟใต้ดินว่า สองในสามคนของมือระเบิดเป็นพี่น้องที่เกิดมาจากครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่มีความรุนแรงมีความขัดแย้งในครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบาันสังคมแรกที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคมเรียกได้ว่าเป็นสถาบันแรกที่ทาหน้าที่ ถ่ายทอดค่านิยมปลูกฝังความเชื่อเสริมสร้างทัศนคติกำหนดบุคลิกภาพ ว, วิธีประพฤติปฏิบัติตนรวมทั้งการสร้างบรรทัด ฐ, ฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวสังคมไทยเรามีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเพราะเรามีระบบเครือญาติมีสายสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยรุ่น รุ่นหนึ่งส่งต่ออีกรุ่นหนึ่งแต่ปัญหาครอบครัวก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการหย่าร้างปัญหาการนอกใจคู่สมรสปัญหาที่เด็กเกิดมาและขาดความรักจากผู้เป็นพ่อแม่ปัญหาที่มีมีลูกเมื่อยังไม่พร้อมปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทั้งสิ้นของปัญหาเหล่านี้นาไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายในสังคมไทย และเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสายใยครอบครัวและผู้อาวุโสและจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อสิบสามนี้ปรากฏคําอยู่สามคำที่ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่มีอยู่ในทุกครอบครัวก็ว่าได้เป็นเหมือนสายใยในครอบครัวที่ผูกพันสมาชิกในครอบครัวไว้ด้วยกันเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเช้านี้ว่า คำสามคำซึ่งเป็นสายใหญ่แห่งครอบครัวมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพระบิดาข้าพองลาลสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระองค์อีกเช้าวันหนึ่งที่ข้าพองถาลมีโอกาสได้เข้ามานมัสการในพระวิหารของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับวจนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพองถไลในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรด ประธานสติปัญญาประชานความเข้าใจอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคลเพื่อที่จะสามารถน้อมนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและไปปรับประยุกใชใ้ให้เกิดผลในการดำเนินชีวิตก็เพื่อจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอน้อมรับการทรงนำด้วยใจขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในานามพระเยซูคริสเจ้าอามนสายใ ย, ยแห่งครอบครัวประการแรกคือ ความเชื่อพระธรรมปีได้พูดถึงพระพรแรกของโลกที่เกิดขึ้นคือพระพรเรื่องครอบครัวเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงและให้เขาทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันพระองค์ทรงวอวยพรให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยี่ส็ด พระเยซูเองก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงให้ความสาคัญกับครอบครัวไว้ในยอห์นบทที่สองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์ก่อนที่จะทาหมายสาคัญครั้งแรกพระองค์ทรงอวยพรให้แก่ครอบครัวในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาและครอบครัวของนอกจากนั้นครอบครัวแห่งความเชื่อในพระพีเดิม คือครอบครัวของอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาของความเชื่อของเราแต่ในพระมพีมใหม่ครอบครัวของทิโมธีเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อซึ่งเราเห็นได้จากในพระธรรมสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อห้าซึ่งความเชื่อนั่เองถูกปลูกฝังจากรุ่นยายส่งต่อมายังรุ่นแม่และมาถึงรุ่นลูกซึ่งอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านทิโมธีเป็นลูกศิษย์อาจารย์เปาโลที่มีชีวิตเติบโตขึ้นในความเชื่อแม้ว่าตัวทิโมธีเองจะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆผ่านทางความเชื่อของคุณแม่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเยซูเป็นชาวยิวแล้วก็คุณยายที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งซึ่งสามารถส่งต่อความเชื่อมายังรุ่นลูกได้รุ่นหลานได้แต่ทิโมธีเองก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในการที่เขาติดตามพระเยซูจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเช่นเดียวกันความเชื่อที่เติบโตจากเราเรียกว่า เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์จนเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขานอกจากจะเป็นร่มเงาให้กับผู้คนมาหลบล้อแนละ้วยังสามารถที่จะเป็นที่ที่จะให้นกไปทารังเป็นภาพให้เราเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าใดลากต้องยิ่งยั่งลึก เมื่อยากลากยิ่งลงลึกมากเท่าใดต้นไม้ก็จะสามารถเติบโตสูงใหญ่และแข็งแรงชีวิตเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราแต่ละคนมีเรียกได้ว่ามีรากแห่งชีวิตโดยเฉพาะรากฐานที่เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเราปลูกฝังกันรุ่นต่อรุ่นเราจะสามารถมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเรามีราก ฐานที่ดีถ้าเราเป็นคนที่เรื่อยๆกับพระเจ้าไม่สม่ำเสมอกับพระเจ้าไม่เอาจิงเอาจังในความเชื่อก็ยากที่จะเติบโตขึ้นได้คงได้แต่เพียงแค่รักษาสภาพเรื่อยๆขอพระเจ้าช่วยที่เราจะสามารถ มีลักษณะของผู้ที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงที่จะสามารถส่งต่อเพราะในอายา ก, กอบที่สองข้อ17บอกไว้ว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลชีวิตที่สัแดงความเชื่อคือชีวิตที่สม่ำเสมอกับพระเจ้าเคยอธิษฐานทุกเช้าเคยอ่านพระคัมภีร์ เคยมาเรียนพระคัมภีร์ร่วมสามาัคคีทำในกลุ่มแค่ประกาศและเป็นพยานทำอยู่สม่ำเสมอจนเป็นชีวิตความเชื่ออาจจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดทางคำพูดแต่ชีวิตที่เป็นแบบอย่างจะสามารถทำให้ลูกหลานและผู้คนรอบข้างซึมซับได้และจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในที่สุดวันนี้ เราและสมาชิกในครอบครัวของเราตั้งแต่วันแรกที่มีการรู้จักพระเจ้าจนมาถึงวันนี้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อมากน้อยเพียงไรสายใยแห่งครอบครัวหนึ่งความเชื่อสองความหวังใจความหวังใจนี้ผมขอหยิบยกจากพระธรรมตอนเดียวกันแต่อยู่ในข้อเจที่บอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอครอบครัวจะต้องมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอแม้บางครั้งอาจจะต้องอดทนรอคอยใช้เวลาเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายที่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจุกเขาปรากฏอยู่ในลูกาบทที่ส5บหข้อ ครอบครัวจะมีความหวังดีแล้วก็มีความหวังใจต่อทุกคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเสมอแม้ว่าลูกจะประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่พ่อแม่ก็ยังคงมีความหวังหวังใจในตัวลูกหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและก็มีชีวิตที่ดีเมื่อคนในครอบครัวดําเนินชีวิตผิดพลาดเราไม่ควรซ้าเติม อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพึ่งพาพระองค์อดทนที่จะรอคอยเพราะเรามีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าหลายต่อหลายตอนที่เราสามารถนํามาใช้กับชีวิตจริงของเราได้รอและก็ให้โอกาสเขาที่เริ่มต้นใหม่สามีให้โอกาสภรรยาภรรยาให้โอกาสสามีพ่อแม่ให้โอกาสลูกลูก ก็สามารถให้โอกาสพ่อแม่ได้พี่ให้โอกาสน้องน้องให้โอกาสพี่แม้เขาจะหลงผิดแต่เมื่อเราอธิษฐานด้วยใจวิงวอนผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังคำทูลขอโดยเฉพาะคำทูลขอที่เรามีใจมุ่งมั่นเราทำอย่างสม่าเสมอพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานแต่ตามวันเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ ตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าขอเพียงอย่า ง, างเดียวก็คือว่าขอให้เรามีความหวังใจอยู่เสมอศา ส, สนาจารย์แฟรงคลินเกรแฮมลูกชายของด็อเตอร์บิลลี่และคุณรูธเกรแฮมสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มท่านทท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังอับอายเสียใจและโดยเฉพาะช้าใจ อยู่เสมอๆด้วยการประพฤติตนนอกลูก่นอกทางทำตัวเป็นฮิปปี้ขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ซิ่งคึก ข, ขนองและในที่สุดติดยาเสพติดทำให้หลายๆคนที่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คือดรบิลลี่กับคุณรูทเข้าไปต่อว่าในพฤติกรรมของลูกเข้าไปถามว่าทำไมลูกคุณถึงเป็นเช่นนี้ แต่คุณรูทผู้ซึ่งเป็นแม่ตอบว่าเรายังเชื่อในคำอธิษฐานเพราะเราปลูกฝังเขาด้วยความเชื่อตั้งแต่เขายังอยู่ในคันของดิฉันหลังคลอดเขาออกมาเราอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังทุกวันเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเราพาเขามาโบสถ์ทุกอาทิตย์มาเรียนรวีวารศึกษาเฝ้าสอนเขาในทางของพระเจ้า แต่ในตอนนี้เรารู้สึกเสียใจในพฤติกรรมของเขาแต่เรายังคงรักเขาเพราะเขาเป็นลูกของเราและเราก็ยังมีความเชื่อและหวังใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาพระเจ้ากลับมาเดินในทางของพระองค์และรับใช้พระองค์ในที่สุดและขอบคุณพระเจ้าว่าวัาวนนี้ศาสนาจาร์แฟรงคลินเกรแฮมดาเนินตามรอยเท้าคุณพ่อเป็นนักเทศ ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างดังนั้นให้เรามีความหวังใจที่จะเห็นเราไม่เพียงแต่มีความหวังใจที่จะเห็นคนที่เรารักที่จากไปก่อนแล้วไปล่วงหน้าเราและในสุดเราจะเจอกันอีกแต่เรายังมีความหวังใจว่าเราจะเห็นคนในครอบครัวของเราที่อาจจะหลงหายไปจากทางของพระเจ้าอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้า และมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าโดยเฉพาะผ่านทางชีวิตของเราอาจจะไม่เพียงแต่เป็นคําพูดของเราแต่เป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างของเราทั้งในด้านความเชื่อและความหวังใจเพราะในฮีบรูบทที่สิบอ็ข้อหนึ่งบอกไว้ว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเราหวังใจไว้เช่นนั้นหรือไม่ว่า คนในครอบครัวของเราจะกลับมาหาพระเจ้าจะมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราหวังใจไว้หรือไม่ว่าคนในครอบครัวจะมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้เป็นดังนั้นสายใหญ่แห่งครอบครัวหนึ่งความเชื่อสองความหวังใจและประการสุดท้ายความรักในหนึ่งโครินบทที่13ข้อ13ที่ ผู้ปกครองดรสมพีดได้อ่านไปนั้นเป็นบทสรุปของคำเน็ดเทศนาในหัวข้อนี้ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดครอบครัวอย่างที่เราทราบประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกครอบครัวที่มีความรักเป็นองค์ประกอบ จะทําให้รากฐานครอบครัวมีความแตกต่างจากครอบครัวที่ไม่มีความรักครอบครัวที่มีความรักจะมีความมั่นคงและจะมีความยั่งยืนเพราะชีวิตของคนในครอบครัวเริ่มต้นมาจากแหล่งแห่งความรักก็คือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวที่รักพระเจ้าเลยเห็นตั้งแต่สมัยของโมเสสที่กําชับลูกหลานอิสราเอลให้รักพระเจ้า โมเสสกล่าวในพ ร, ะ, ระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อห้าและข้อ7ว่าพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกําลังของท่านและจงให้ถ้อยคําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านสิ่งนี้เองที่เราเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ปลูกฝัง จากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นความสุขและความเจริญที่มีอยู่ในครอบครัวของเราในปัจจุบันนี้จะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเรามีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้ามากเราจะมีความสุข ที่เขาเรียกว่าสันติสุขมากไม่เพียงแต่ตัวเราแต่จะเผื่อแพ่ไปถึงคนในครอบครัวถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตมีความรักให้แก่กันและกันในครอบครัวสามีภรรยารักกันพ่อแม่ลูกรักกันพี่น้องรักกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะทรงอวยพรดังเช่นสรุดดีบทที่133ข้อหนึ่งและข้อสามที่กล่าวไว้ว่า ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเพราะว่าพระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจเมื่อคนในครอบครัวมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเขาสัมเดงออกมาให้เห็นว่าเขามีความหวังใจมากขึ้นไม่เพียงแต่ความหวังใจในสิ่งของที่จับต้องได้ แต่หวังใจในสิ่งที่เขายังมองไม่เห็นแต่เขามีความเชื่อและความรักที่เป็นองค์ประกอบอยู่ตั้งแต่เดิมนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ครอบครัวสมบูรณ์เพราะในโคโรเสียไปที่ 3: ามข้อสิบอกไว้ว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ความรักเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่เด่นชัดในชีวิตของคริสเตียนเรา คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามารู้จักกับริสเตียนเพราะเห็นถึงความรักที่สำแดงออกอย่างเป็นชีวิต จ, จิตใจ่าว่าได้มีคนบอกว่าความรักสามารถสัมผัสได้ด้วยใจและมองเห็นได้ด้วยการกระทำที่แสดงออกมาเพราะในหนึ่งยอห์นบทที่สาข้อบอกไว้ว่า ลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงปัจจุบันบทบาทของสถาบันครอบครัวในสังคมไทยเริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลงพี่น้องคงรับทราบว่าสถานการณ์ของผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุมีมากขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆไม่เพียงเฉพาะผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุที่สูงขึ้นแต่ผู้สูงอายุและเด็กถูกครอบครัวทอดทิ้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่เองแล้วก็สังคมเมืองมีมากขึ้นเพราะดี๋ยวความเจริญอาจจะเรียกได้ว่าไม่เพียงแต่แผ่กระจายออกไปแต่ คนก็ยังเน้นที่จะเข้ามาสู่เมืองที่มีความเจริญมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้สูงอายุผู้อาวุโสในชนบทเป็นจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลาพังแม้แต่ไม่เพียงแต่ในชนบทแม้แต่ในเมืองใ น, ในสังคมก็ยังมีที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกหลานเพราะพ่อแ ม, ม่มีเวลา ต่าง อ, อกต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับมาก็ค่ำแต่เดือนนี้ไม่เพียงแต่เป็นเดือนแห่งสายใยครอบครัวแต่เอายังลึกถึงผู้อาวุษโสเป็นพิเศษผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราทั้งหลายที่นั่งในที่นี้คงจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งไว้ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านแต่เพียงลำพัง เราถือโอกาสใช้เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นจุดเริ่มที่เราจะให้เวลากับท่านมากยิ่งขึ้นสำแดงความรักและการเอาใจใส่อย่างดีเหมือนกับที่เราประพฤติปฏิบัติกับผู้อาวุโสคน อ, นอื่นๆผมอยากจะเล่าประสบการณ์ของผมที่เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและซึมซับมาตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นและ ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมจำได้ว่าทุกคืนครอบครัวของเราจะแสดงความรักด้วยการกอดและด้วยการหอมหรือจูบจูบที่หัวที่แก้มทุกๆคืนก่อนคุณพ่อคุณแม่จะขึ้นนอนคุณพ่อแม่จะมีโอกาสได้มาจูบที่ศีรษะผมหรือหอมที่แก้มและมีหลายต่อหลายครั้งที่ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ลงมาเข้าน้ำตอนดึกแล้วลูกชายยังไม่กลับบ้านแต่ก็มีบางครั้งที่ถึงแม้เป็นเวลาดึกแล้วคุณพ่อคุณแม่ลงมาเข้าน้ำลูกชายกลับมาแล้วแล้วคุณพ่อแม่เข้าไปแสดงความรักก่อนที่จะขึ้นไปนอนช่วงเวลาที่ท่านมาหอมหรือมาจูบที่ศีรษะผมคิดว่าจะทาให้ท่านเมื่อกลับไปนอนแล้วอาจจะไม่ได้นอนหลับ ได้เลยเพราะทั้งกลินบุหรี่กลินคนขี้เล่าเมายากระคุ้งไปหมดแต่สิ่งนี้เองไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณพ่อแม่เกิดความท้อใจและผมคิดว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจึงทําให้ผมมีโอกาสได้มายืนเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟัง อาทิตย์ที่แล้วเช่นเดียวกันผู้เทศนาในภาคบ่ายถามผู้ฟังในพระวิหารว่าเราบอกรักคนในครอบครัวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมซึ่งนั่งอยู่ฟังอยู่ด้วยผมตอบในลำคอว่าเมื่อคืนครับเพราะเมื่อก่อนที่ผมกับภรร ย, ยายังไม่มีลูกทุกคืนก่อนนอนผมจับมือกันแล้วผมก็จะพูดประโยคซ้ำๆอยู่สงสามประโยค เกือบทุกคืนว่าพระเจ้าคุ้มครองนอนหลับฝันดีรักพิมพ์นะและในที่สุดแล้วเมื่อเรามีลูกเรามีลูกพอเรายังคงบอกกันและกันด้วยประโยคนี้ในพ่อแม่ลูกว่ารักแม่พิมพ์รักลูกพอแล้วผมก็จะได้รับคำตอบมาว่ารักพ่อพงนะ เกือบทุกคืนถ้าไม่มีคืนไหนเป็นคืนที่เราเพียหลับไปก่อนเราจะมีประโยคนี้ทุกๆคืนผมคิดว่าไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องของความเชื่อความหวังใจหรือความรักนั้นที่ส่งต่อและรุ่นไปยังอีกรุ่นหนึ่งและสามารถซึมซับได้แต่ผลของพระวิญญาณทั้งเก้าอย่างจะเป็นอีกหลายต่อหลายอย่างที่พระพทีสอนเราเราสามารถที่จะ สิ่งใดก็ตามที่ทำมาจากชีวิตของเรามันจะสม่าเสมอและมันจะสามารถเป็นแบบอย่างและซึมซับมาโดยอัตโนมัติผมอยากจะจบคำาเทศนาเรื่องปะทูไม่ซึ่งพี่น้องอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยอ่านทางลายมาแล้วแรกแกที่ผมฟังเรื่องนี้ผมชอบและมักจะอ่านบ่อยๆเพื่อเตือนตัวเองเรื่องมีอยู่ว่า คืนหนึ่งหลังจากที่คุณแม่ทำงานหนักมาตลอดทั้งคืนเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณแม่ยังคงทำอาหารเย็นให้เราตามปกติแต่ด้วยความเหนื่อยอ่อนดังนั้นที่โต๊ะอาหารคุณแม่เลยวางจานที่มีปลาทูไม่เกรียมบนโต๊ะต่อหน้าเราทุกคนผมรอดูว่าพ่อจะว่าอะไรบ้างแต่คุณพ่อไม่พูดอะไรยังตั้งหน้าตั้งตา ก, กินปลาทูไม่โดวนั้นและหันมาคุยกับผมเรื่องอื่น คืนนั้นหลังอาหารเย็นผมจำได้ว่าผมได้ยินคุณแม่ขอโทษที่ทอดปลาทูไหม้และผมไม่เคยลืมสิ่งที่คุณพ่อพูดกับคุณแม่เลยพ่อตอบว่าพ่อชอบปลาทูทอดเกรียมๆอร่อยมากนะแม่คืนต่อมาผมเก็บคำถามที่ค้างคาใจไว้ถามคุณพ่อก่อนนอนผมถามว่าพ่อชอบปลาทูทอด เกลียดจริงๆเหรอพ่อลูกหัวผมและต่อว่าแม่ของลูกทางานหนักมาทั้งวันปราทูไม่ตัวหนึ่งไม่เคยทำร้ายใครแต่คำพูดที่ต่อว่ากันและกันนั้นต่างหากที่จะทำร้ายกันชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบและแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดมาด้วยความสมบูรณ์ ดังนั้นตัวเราก็ไม่ได้ ด, ดีไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่พ่อเรียนรู้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดของคนอื่นและของตัวเองการเลือกที่จะยินดีกับความคิดต่างของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชีวิตครอบครัวที่มีความสุขให้ยืนยาวชีวิตเราสั้น เกินกว่าที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำว่าขอโทษและเสียใจที่ว่าเราทำผิดกับคนที่เรารักหรือรักเราดังนั้นให้เราดูแลทนุถนอมคนที่เรารักหรือรักเราและพยายามเข้าใจและให้อภัยกันจะดีกว่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบ้างให้โอกาสและให้อภัยพยายามเข้าใจกันและกัน จะได้รักและอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนยาวนานเรื่องนี้สอนพวกเราในคริสตจักรเช่นเดียวกันบ่อยครั้งที่เรามักจะตัดสินใจกันไปคนละทางสองทางถึงแม้ว่าเราจะรับบัพติศมาเดียวกันเราจะถวายตัวเพื่อพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ความคิดการวางแผนก็ยังแตกต่างกัน ถ้าเรายังคงยอมให้ความเป็นตัวตนของเราความเย่อหยิ่งความถือตัวความเห็นแก่ตัวสร้างความขัดแย้ง้าทำให้เกิดความแตกแยกความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นเมื่อมีอะไรที่เป็นความคิดหรือวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกันเรา ทราบถึงบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะหาทางที่จะประสานจะยอมฟังกันและกันยอมฟังความเห็นของกันและกันและที่สำคัญคือการยอมให้พระเจ้านำถ้าเราให้พระเจ้านำมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตเราจะยอมรับฟังคนอื่นด้วยความสุภาพและความถ่อมใจดังนั้นถ้าในคริสตจักรของเรา มีเรื่องของความขัดแย้งทำให้เราไม่สามารถที่จะยิ้มแย้มให้กันได้ไม่สามารถที่จะทำให้เราเดินไปได้วยกันได้ให้เรานึกถึงอีสเตอร์ที่เพิ่งผ่านมานึกถึงความรักนึกถึงความอดทนของพระเยซูที่ทำให้ได้ให้เรามีโอกาสได้มีวันนี้เราก็จะสามารถอ่อนลงและยอมฟังกันและกันแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเดินหน้าไปพร้อมๆกันขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องให้พระวัชกิของพระเจ้าในเช้านี้ให้ความเชื่อความหวังใจและความรักเติมเต็มในชีวิตของเราทุกคนและไม่เพียงเท่านั้นให้สิ่งนี้ได้ไหลล้นออกไปสู่คนในครอบครัวของเราผูกพันครอบครัวของเรากับพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวา m มน